สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 9้วสู่การ์ะครับมากันที่สายของคุณบอยครับมาปิดท้ายกับเราในค่าคืนวันนี้ใช้ชื่อเรื่องว่าในห้อง ICU ครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่แจ็คครั บ, รบผมคุณบอยตอนนี้โทศรศัพท์มาจากที่ไหนผมอยู่ราดท้าวครับอยู่แถวลาดท้าวเนาะ ครับผมอยู่ติดริมถนนเลยอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจย้อนหลังกับอ่าที่สูญเสียในส่วนของคุณป้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับพี่โอนะครับแล้วไปทําอะไรอยู่ริมถนนเนี่ยเออจริงๆแล้วผมมีงานนะครเดี๋ยวเตรีมตัวสัแต่งบายที่ทํางานต่ออ๋อโอเคนะคแต่อยู่ในที่สว่างที่ปลอดภัยนะจริงๆก็ไม่ได้อยู่ที่อยู่ไม่อยู่ที่สว่างครับแต่อยู่ในที่ปลอดภยัยอ่าอยู่ในลง้งในรถอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ไม่เป็นใช่ครับอยู่หน้าสารประภูมิเลย ปลอดภยัยแน่นอนนะน่าจะแน่นอนครับมีหลบประพอคอยเดินตรวจตาอยตูตลอดเอ๋อโอเคโอเคมาว่าถึงเรื่องนี้ครับแน่นอนว่า ค, คุณ <ผม S 2> ป้าเพิ่งเสียไปใช่ครับแ ล, แล้วก็<ช>มีเหตุการณ์นี้มาเล่าให้พวกเราฟังครับผมเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้เชิญเลยครับคุณบอยเอ่อครับผมเออผมขออนุญาตเรียนนิดนึงนะครับว่าอันนี้มันมันมันเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ฟังมาจากคุณป้าก่อนนี้ท่านจะเสียไปซึ่งก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการฟัง นะครับอืมเอาบางคนก็อาจจะฟังแล้วแบบอืไม่น่าเชื่อเลยอืมไม่น่าเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ก็ฟังเพื่อความกระเทืนอนจากที่พี่แจ๊คกู้แล้วกันนะครั บ, รบเออย่างที่ทราบวันนีว่าป้าผมเขาป่วยนะคะป่วยเป็นโรคโรคอะไเอาเอ า, เอาตรงๆก็คือเป็นมะเะ ร, ร็งนั่นแหละนะครับแล้วเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากในช่วงหลังๆนะคอืบจนช่วงสุดท้ายเนี่ยคือมันจะมีภาวะที่เขาเรียกอะไรเป็นภาวะที่มีน้ําเข้าไปในปอดเยอะเกินไปอืม นะฮะทำให้แกแบบหายใจลำบากมากขึ้นแล้วก็มาลุกลามเข้าไปที่ปอดแล้วก็ <c oughs> เลยจำเป็นจะต้องมีการอะรมีการถ่ายน้ำออกจากปอด <c oughs> นะครับทีเนี้ยตอนนี้ป้าผมมาเริ่มไม่ไหวแล้ว <c oughs> เขาก็เลยไปสแตนบายที่โรงพยาบาลไปตั้งแต่ไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ไม่มีห้องพักคือไม่มีเตียงสำหรับสาหรับให้ใ ห, ให้ให้เข้ารักษาถัวหะจะต้องรอจะต้องรอปรากฏว่า <c oughs> คุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าเอางี้อมันไม่ไหวนะจริงๆให้ไปนอนพักที่ห้องไอซูก่อนละกันอืม ห, ห้องห้องไอซียูก่อนแล้วแล้วนอนรอนอนรอใน น, นนา้นรนอนเตียงว่างเพื่อเข้าไปพักอีกทีหนึ่งค่ะครับค่อ ค, คุณตาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะว่าแกก็เริ่มไม่ไหวแล้วแล้วทุกคนก็ลงความเห็นว่าโอเคไปอย่างอย่างน้อยๆย่างมีเตียงให้แกได้นอนพักอย่างนี้อะไรดีกว่านั่งรออืนะคะก็เข้าไปนะครับ อในการรักษาเนี่ยคือคุณต้าเนี่ยเข้าไปนอนในห้องไอซีูนะครับซึ่งห้องไอซีเนี่ยจากที่แกเล่าให้ฟังม่าแต่ละเตียงเนี่ยก็จะมีโคม่าทางนั้นเลยนะฮะบางเตียงหายใจล่อแล้แล้วใจจะไปแล้วบางเตียงก็แบบไม่รู้สึกตัวแล้วก็ต้องชอใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งหมดก็มีเครื่องตรวจชีพจรทั้งหมดทุกๆเตียงยกเป็นเตียงต้าเตียงเดียวนะครับต mm. ้าก็นอนไปตอนนั้นแกคือก็นอนไม่หลับะนะ ก็นอนไม่หลับแล้วคุณหมอก็เริ่มทําการรักษาโดยการใช้เข็มอะเจาะเข้าไปด้านข้างนะครับด้านข้างคือรู้สึกจะเป็นด้านซ้ายของร่างกายนะฮะคือเป็นเป็นเจาะเข้าไปในปอดด้านซ้ายอืแล้วต่อท่อออกมาแล้วแยกออกมาเป็นสองขวดแก้วใหญ่ๆครับดูภาพตามนะครับอคือขวดนึงเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเลือดนะครับคือเป็นเลือดที่คลั่ง แล้วก็คัดแยกมามันก็จะกลายเป็นน้าที่ขังอยู่ในปอดฉะนั้น<ม>สองขวดเนี่ก็จะมีขวดที่เป็นเลือดแล้วก็ขวดที่เป็นน้ำนะครับซึ่งขวดใหญ่แล้วป้าผมเนี่ยคือเขาอ่อนแอนะฮะเรื่องควาที่เป็นโรคเนี้ย<ม>แก บ, บางทีแกขัขยับตัวลําบากแล้วก็จะยกของยกแก้วพวกนี้ลําบากหน่อย<ม>แก้วมันค่อนข้างนนะะนนหนักนะครับเพราะว่าน้ํำในปริมาณที่สุดถูกสูบออกมาจากปอดเนี่ยมันก็เยอะอื ม, มเขาก็เลยเอาไว้ด้านข้างนะครับด้านข้างคือด้านซ้ายฉะ<ม>นั้น จะมีเข็มแทงอยู่ด้านซ้ายแกก็ต้องหันนอนตะแคงข้างและหันหน้าไปด้านขวาออะฮะเอ่อที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยคือตอนที่แกนอน hmm. แกก็ยังไม่ได้นอนนะครับจะ hmm. ปรับเตียงในลักษางเหมือนนั่งนอน hmm. คือเหมือนแบบพิงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มองไปรอบข้างก็จะมีแบบอย่างที่ผมบอกคือมีคนมากเ hmm. ตียนด้านขวาเนี่ยจะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งปวดเป็นโรคร้ายเหมือนกันแต่ทีเนี้ย คือเป็นโรคหลายอย่างแล้วก็คงจะไม่ดีแล้ว hmm. คงจะชีพจรเต้นอ่อนมากเสียงแกพูดอย่างนั้นฮะแล้วก็มีนางพยาบาลเข้ามาคอยดูแลรักษาอยู่ตล อ, อดเวลา<ะ>ด้วยความที่เพลียนะฮะด้วยความที่เพลียแต่แต่แกก็ไม่กล้าหลับคือป้าผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่เห็นแล้วก็สัมผัสอะไรเรื่องพวกเนี้ยได้ง่ายกว่าก hmm. ว่าคนปกติทั่วไปนะฮะในชีวิตเนี่ยที่แกเคยเจอมาฮะแต่แกก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่าอะไรฝั่งแกก็แก ก, แ ก, ก็กลัว กัวแล้วแกก็เลยไม่กล้านอนแต่ด้วยความเพลียนะครับด้วยความเพลียแล้วก็หลับไปอืก็ตะแคงข้างหลับคือหันหน้าไปด้านขวาซึ่งเป็นเตียงกับอ่าผู้ชายคนนั้นอนะ่ะที่นอนอยู่ด้านข้างแต่เตียงแต่ละเตียงเนี่ยคือเขาจะมีผ้าม่านปิดอยู่อืมคือรูทั้งผ้าม่านะปิดอยู่นะฮะป้าก็บอกว่ารล่าใหฟังว่าอ่าสักประมาณดึกๆมันจคงคงดึกส ง, งับแล้วแหละครับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเตียงคขมามโขมขามจากด้านขวาออื นะที่แกนอนอยู่และหันไปแกก็ลืมตามองดูปราุ้กที่เป็นผู้ชายคนนั้นอะ่ะอะได้เป็นเงานะครับเป็นเงาที่ผ้าม่านมันไปอยู่คือต้องลุกขึ้นมาออืลุกขึ้นมาจากบนเตียงแล้วก็นั่งแล้วก็พยายามเอามือทําร้ายตัวเองครับคือทั้งตีตัวตีหั ว, ต, ว, ต, วตีแบบแต่ไม่ได้ตีถีอะไรเงี้ยนะครับคือ ต, ตีแบบตุกแล้วหยุดแล้วก็ตุกทีตุกทีอะไรเงี้ยสักพักก็ล้มตัวลงนอนไปครับ อป้าก็มองอยู่แล้วก็คือด้วยความกังวลนะฮะแบบเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาพยายามไปกดคือมันจะมีไอตัวกดอยู่ออเพื่อเรียกเรีพยาบาลอืใช่ใช่ครับป้าเขาก็กดเพื่อเรียกทางพยาบาล่ะทางพยาบาลก็เข้ามาแล้วถามว่ามีอะไรให้ให้ช่วยไหมบอกว่าเตียงข้างๆเนี่ยเขาลุกขึ้นมาแล้วเขามาตีตัวเองเหมือนเขาไม่ได้สติมันเขาเพ้อเลยช่วยดูให้หน่อยได้ไหมเขาบอกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่า เพราะว่าเขานอนนอนนิ่งเนี่ยและที่สาคัญที่สุดคือนางพยาบาลเขาก็ลุดม่านมาครับปรากฏว่าอผู้ชายคนนั้น่ะเขานอนแล้วเขามีมีเหมือนเป็นเข็มขัดนะครับลรัตที่แขนแล้วก็รัอที่ขาไว้อย้อาวเหรอใช่ครับรัอที่แขนนี่ขาอยู่ซึ่งต้าก็สงสัยว่าอ้าวแล้วที่เขาเห็นว่าสามารถลุกขึ้นมาแล้วเอามือตีมืออะไรอย่างเงี้ยตีได้ยังไงลุกขึ้นมาแล้วมือผลจากพนาันาการที่เป็นชข็มขัดได้ยังไง แต่ก็แต่ก็ไม่พยายามจะไม่คิดอะไรเพราะถ้ายิ่งคิดก็ยิ่งกลัวครับก็เลยปิดเรื่องนี้เงียบไว้แล้วนางพยาบาลก็อ๋อพักผ่อนเถอะนะครับน้าอะไรอย่างเงี้ยเอายาไหมอยากได้ยานอนหลับไหมอยากได้อะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนางพยาบาลก็ออกไปคทันนี้ป้าก็นอนไม่หลับแหละพอเริ่มกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นแกก็นอนแล้วก็มองตาก็มองตลอดเวลามองมองเงาเงาที่อยู่หลังผ้าม่านนะครับออืม จนพอยหลับไปด้วยความเพลียก็อย่างที่บอกก็คือร่างกายป้าสภาพอ่อนแอ น, น ะ, ค, ะครับแกก็หลับไปสะดุ้งตื่นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเขาเนี้ยคือเขาไม่ได้นั่งอยู่บนเตียงนะอเขายืนขึ้นออเขาเหมือนเขาแบบลุกลุกลงมาจากเตียงอ่ะอแล้วก็ยือนอยู่ลหลังผ้าม่านครับมันเป็นเงาดำๆที่เขายืนแล้วก็เหมือนก็แบบหันคือยือนตรงๆแล้วหันไปทางไหนนี่คือแกก็แกแก็ไม่แน่ใจนะอ่ ว่าหันมาทางแกหรือหันหลังให้แกครับเนี้ยด้วยความกลัวแกก็ร้องโวยวายขึ้นมาคราวนี้แกก็ไปจับไอ้ตัวที่ติดเรียกนางพยาบาลอีกครั้งหนึงห่งเข้าแกก็จับแล้วก็ดีดดีดกดกดกดกดกดแล้วก็พยายามหลับตาจนนางพยาบาลก็เข้ามาอีกครั้งนึงนางพยาบาลก็ถามว่ า, าคุณป้าเป็นอะไรอีกแล้วเป็นอะไรบอกเนี่ยเป็นข้างๆเขาลุกขึ้นมาอีกแล้วครับก็เมื่อกี้เห็นอยู่ว่าเขาคลัทเข็มขัดแล้าลุกขึ้นมาได้ยังไงบอกเนี่ เออเมื่อก่อนก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยคุณตาได้รับยาอะไรไปหรือเปล่านางพยาบาลก็ถามป้าผมนะครับรับยาอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอบอกก็ไม่ได้รับยาไม่ได้อะไรไม่ได้กินยาอะไรเลยแต่เขาเห็นจริงๆนะนางพยาบาลเขาก็รูดผ้าม่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะอเออปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นน่ะก็ยัง น, นอนอยู่ท่าเดิม เห็นขาดอะไรรัดแขนรัดขาดคือยังยังอยู่ในสภาพเดิมเลยคือเดาว่าคงจะแบบว่าไม่มีทางจะปลดตัวเองลุกขึ้นมายืนหรือว่าแม้แต่จะยกแขนขึ้นมายังลําบากเลยนะถ้าโดนล็อกขนาดนั้นอ่ะใช่ครับใช่ใช่ อ, อ, อ, อป้าก็เลยรู้สึกอคราวนี้เขาเริ่มกลัวแล้วเขาก็เลยขอเขาก็เลยตรวจสอบกันทางพยาบาลว่าช่วยช่วยช่วยเช็เคให้อีกทีได้ไหมว่าห้องพักตอนนี้ยว่างหรือยังอ อ, อ, อ, อ, อว่างหรือยังเพราะเขาไม่อยากอยู่แล้วยเงี้ยครับอฮ ทางพยาบาลก็ก็สงสัยนะฮะสงสัยแล้วครับว่างงๆก็เดินแบบงงๆออกไปทีเนี้ยพอพอเดินออกไปเนี่ยคือนางพยาบาลเขาไม่ได้ปิดพม่านเขาไม่ได้ปิดพมานแล้วป้าผมอะ่ะจะต้องนอนตะแคงและหันไปมองเขาอยู่ตลอดเวลาโอ้ยอ่อ่านฮะหันไปนอนมองนอนมองเขาอะ่ะทั้งคืนเลยครับนะครับ <c oughs> คือป้าก็กลัวแกก็ไม่กล้าหลับ ทั้งๆ ท, ที่แบบก็เพียแล้วก็ง่วงง่วงมากๆอะ่ะแต่ไม่กล้าหลับเพราะวถ้าหลับแล้วตื่นมาอีกทีเขาอาจจะเห็นอะไรหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าหลั บ, บจนถึงเช้าเลยพอถึงเช้าเสร็จเ อ, อคุณหมอก็เข้ามาตรวจตามสภาพนะตามตามธรรมดาตรวจเตียงนี้เตีงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้ามาแจ้งกับพ้าผมจริงว่าเ อ, อตอนเนี้ยเตียงยังเตียงยังไม่ว่างนะออืสงสยัย อ, อคุณนะจะต้องนอนที่นี่อีกคืนหนึ่งนอนที่ห้องอีกคืนนึ่งป้าบอกปุ๊บปุ๊บตายละว จะต้องอยู่อีกคืนหนึ่งแล้วเขาจะเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแนละ้วเขาก็พยายามเล่าคือป้าผมพยายามเล่าให้ให้ให้หมอฟังฮะว่าเนี่ยเขาเห็นผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นมาอืลุกขึ้นมาจริงๆลุกขึ้นมาเลยแล้วก็นั่งลุกขึ้นมานั่งด้วยนะแต่แถมมือมือมาตีตัวตีนู่นนี่นี่คุณหมอฟังเขาเขาก็เฉยๆนะครั บ, รบอืมเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรคือป้าผมก็เล่าให้ฟังว่าสงสัย สงสัยคืหมอนะเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างแต่เขาไม่ไม่อยากจะพูดให้คนไข้กลัวอะไรเงี้ยเขาก็เลยตรวจไปตามสบาตาแต่บอกว่า <c oughs> ยังน้อยอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ยคุณอาจจะต้องนอนตรงนี้อีกคืนนะเดี๋ยวคืนนี้ยจะมีเตียงที่ออกไปแล้วา <c oughs> เป็นห้องห้องห้องพิเศษเป็นเตียงคู่อะไรเงี้ยเาบอกทนรออีกหน่อยแล้วกันนอนนอนอีกคืนนึงแล้วกันนะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีอะไรให้กด <c oughs> กดออดเรียกนางพยาบาลให้เข้ามาดูแลก็ได้ไม่มีปัญหาด้วยความที่แบบ ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราก็ต้องรอห้องอยู่แล้วอืมรอห้องรอเตียงว่างอยู่แล้วอย่าเงี้ยคุณป้าก็เลยนอนอยู่นั่นอีกคืนหนึ่งครับคราวนี้ยคืออคุณป้าเขาเล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่ระหว่างที่ต้อ ง, ต, องต้องจะต้องนอนอะ่ะอืมคือพบค่ำแล้วแหละในสิเวลาค่ำนวเ ข, เขาก็กดเตอดเรียกนักพยาบาลแล้วข อ, อยานอนหลับเลยครับ hmm. ยานอนหลับเลยคนระับนักพยฟบาลก็อ่ให้ คือให้หมอเซ็นออกมากนะเพื่อที่จะให้ยานอนหลับอืมหมอก็โอเคก็ให้ยานอนหลับไปแต่ปรากฏว่าคือคือคุณป้าผมเนี่ยเขาเป็นคนที่กินยานอนหลับมานาน<ฆ>มากๆแล้วนะครับ<ฆ>ฉะนั้นบางทีเนี่ยพอ ก, กินไปเนี่ยยาบางทีมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพที่ทํำให้ป้าผมหลับได้เต็มที่พอไปเ็จคือดื้อยาแล้วอะว่าอย่างนั้นเหรออาจจะดื้อยาแล้ว<อ>ใช่ครับ อ, อาจจะดื้อยาแล้วเนี้ยค่ะ<ฆ>ตกดึกคืนนั้นแกบอกว่าคืนที่สองแกเจออีกแล้วอืม แกเจอแล้วคราวนี้คือคือเหมือนตัวว่าแบบเขาขยับตัวแต่ยังไม่ได้รู้ออกจากเตียงนะครั บ, รบเหมือนขยับตัวเหมือนพลิกพลิกไปซ้ายทีพลิกไปขวาทีอสําคัญคือที่เขาบอกว่าเขาเขากลัวที่สุดก็คือพอพลิกกลับมาแล้วนอนหงายธรรมดาเนี้ยออืเขาพองกหัวขึ้นมาที่แจกคในภาพออกนะคือนอนแล้วเพิ่ออกหัวขึ้นมา<อ>แล้วก็เพิ่งงอพองงกอยู่นะ<อ>ั้นพองงกเหมือนไก่เลยออ มันไก่เลยไปงกพงกแล้วก็เอาหัวกระแทกกระแทกกับหมอนนะหมอนที่หนุนหัวกระแทกตังตึงึงตึงแค่ก็กลัวแค่ก็เลยรีบกดออดเรียกนางพยาบาลเข้ามาครั้งหนึ่งนางพยาบาลก็เข้ามาแล้วก็ถามคุณป้าเป็นอะไรนี่ให้ยานอนหลับคุณป้ายังไม่หลับอีกเหรอยังไม่ง่วงอีกเหรอบอกว่ามันไม่ง่วงเลยมันไม่ง่วงเนี่ยเขาขยับตัวอีกแล้วนางพยาบาลก็เกิดเข้าไปดูปรากฏว่าอ่า เครื่องที่แจ้งทีวีจอนอยู่ดีๆมันตื้อืมเสียงมันตื้อไปอย่างนี้ครั บ, รบหมายความว่าที่วะจอนมันหายไปแล้ว อ, าาอืมนะฮะนางพยาบาลเห็นดังนั้นเขาก็เลยเรียกพวกอ่าผู้ช่วยนางพยาบาลหรืออะไรนางพยาบาลตรงอยู่ที่อยู่อยู่ที่วอร์คใกล้ๆกรุงศรีอยุธยาเข้ามาทั้งหมดเลยเพื่อมาทําการยื้อชีวิตแล้วก็ช่วยพัมหัวใจนะฮะปรากฏว่าอยื้อไม่ได้ออืม่าผู้ชายคนนั้นก็เสียชีวิตเสียชีวิตในกลางดึกกันเลย เออนางพยาบาลเขาก็เลยแบบออกไปนะฮะแล้วก็คงจะไปแจ้งญาติหรืออะไรนีร่แหละก็ตกดึกดึกดึกสั่งับนะฮะญาติก็มาญาติก็มาญาติก็มาเตียงข้างๆแล้วก็แบประล้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยร้องห่มร้องไห้แล้วก็ทําเรื่องเพื่อจะขอเอาเอาศพออกจากออกจากเตียงเนี่ยออกจากเตียงเพื่อออกจากักห้องให้สิอนลมไปเอ่อผู้บัญญาชญาติเขาก็ออกไปแต่ทีเนี้ย บรรกาศเป็ว่าศพอ่ะเขายังไม่เอาออกเพราะโดยพื้นฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเขาน่าจะต้องทิ้งศพไว้ประมาณประมาณประมาณสอชั่วโมงมัถ้าผมจำไม่ผิดหรอใช่ครับประมาณนั้นอ่ะคือหลังจากเสียชีวิตไปแล้วคือต้องอยู่อยู่ตรงนั้นสองชั่วโมงคือเออทางพยาบาลเนี่ยเขาจะต้องเอาเครื่องมาตรวจวัดที่ที่ประจาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าภายในสองชั่วโมงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าสองชั่วโมงหรือเปลาแต่ป้าผมอ่ะคือก่อนที่หลังจากที่เขาแบบชี้ประจาหมดไปแล้วอ่ะ เขาเอาเครื่องตรวจเครื่องตรวจชิปจรอนอะ่ะมาวัดอีกทีหนึง่งแล้วชิงไว้สองชั่วโมงเท่ากับว่าตอนนั้นคุณป้าโทษนะฮะต้องนอนอยู่กับศพอีกสองชั่วโมงเต็มเ็มแล้วอย่างาคือพลิกไปไหนก็ไม่ได้ใช่พลิกไปไหนไม่ได้เพราะว่าด้านข้างป้ามีเข็นแทงไว้อยู่อ๋ออ๋อครับทีนี้ มันอเรื่องนากลันมันก็ตกอยู่ที่ป้าแหละเพราะว่าไม่มีใครแะหันได้มองรอบข้างทุกๆเตียงก็จะเป็นเตียงที่แบบคนเป็นคนไข้โควบ้านหมดเลยนครับก็หันได้มองมองอย่างนั้นมองศพแต่มองไปมองมาก็เริ่มชินเขาก็ดวงตาก็เริ่มชินเขาก็เลยรู้สึกว่าก็สุดท้ายเราคือเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาเขาพูดอย่างนั้นกรับผมนะอะเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก็มองให้โกงแลกันแต่ถ้าชิดนะครที่แจกคือ ตาผมมันนอนมองศพเขาสองชั่วโมงครสองชั่วโมงตอนหลังจากสองชั่วโมง อ, อยังไม่ถึงไม่แน่ใจนะว่าสองชั่วโมงหรือเปล่านางพยาบานบอกเขาเข้ามาอบอพอเข้ามาเสร็จเขาก็อ่าบุรุษพยาบาลเนะ่ะเขาพอเอาเอาเตียงแล้วก็จะเป็นตัวครอบมั้งเป็นเป็นเหมือนถังอลูมิเนียมยาวๆค่ะคคที่ผาครึ่งแล้วเอาศพออไปว่ามันเตียงแล้วเขาจะเอาถังนีนะ้ครอบไปทีเพื่อลําเลียงศพ ลราเรียนสพออกไปจากเตียงครับโอเคก็บ okay, รุษพยาบาลเขาก็มาเอาเอาศพนำพาศพออกไปจากห้องไอซูเรียบร้อยแล้วทีนี้นางพยาบาลเขาก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าปูเตียงผ้าอะไ ร, รแล้วก็เอาเครื่องอุปกรณ์จัดแจงเซ็ตให้แบบพร้อมที่จะคนป่วยที่แบบคันโคม่าอะไรเข้ามานอนพักได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยอคุณป้าเขาก็บอกว่าโอเคศพออกไปแล้วแต่ก็ก็ก็มีมีอาการที่แบบว่าเบาใจเล็กน้อยนะเพราะว่าเราไม่ต้องนอนนองศพ อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เรื่องมันไม่ใช่เพราะว่าหลังจากที่วางใจไปแป๊บนึงเพาเริ่มง่วงเขาพเนอนในขณะที่นอนเนี่ยคือคุณต้าเล่าให้ฟังว่านอนได้แพทเดียวเองเบมือจะนอนได้แพทเดียวเองรู้สึกมันเหมือนเหมือนเหมือนมีอะไรบางสัตว์สัอีกแล้วอ hmm. เหมือนมีโคงเพลงโครงเตนด้านด้า น, ด, านด้านที่แขฉหักไปครับ hmm. แกก็ลืมตามองปรากฏว่าจะเห็นเป็นเงาอืม hmm. จะเห็นเป็นเงาตั้งอยู่บนเตียงตัวที่มีผ้าม่านปิดไว้อยู่อ oh. เป็นเงาดําๆนะครับนั่งอยู่บนเตียงออื oh. แล้วแกก็บอกโอ้โหโดนอีกแล้ว <Huh. S 2> ตายแล้วเต็มๆเลยอะไรเงี้ยแกก็หลับตาปี๋เลยเราไปฟัง <Huh. S 2> แล้วแกหลับตาปี๋แล้วก็เสียงเสียงที่คลุกคลักคลุกคลักอะไรเงี้ยมันก็หายไปค <Huh. S 2> เพราะเสียงหายไปเสร็จแกก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูออื uh huh. ปรากฏว่าคือเขาไม่ได้อยู่บนเตียงแล้วคราวนี้เขา เขาออกมาจากเตียงและยืนติดผ้มาม่านเลยอืมแต่อยู่อีกฝั่งนึง น, นะครับเห็นเป็นเงาคติดผ้มาม่านแล้วก็คือผ้อมาม่านอะ่ะเวลาเราเราเราเดินไปชนผ้มามา่านผ้าม่านมันจะนูนออกถูกไหมฮะอืมคือมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเลย ค, คือมันเป็นเงาดําๆแล้วนูออกมาจากผ้มาม่านมองแกแกก็ตกใจแกร้องโ ว, ไวไยวายอะไรเลยแล้วก็พยายามกระเสือกกระสนนะครับแล้วก็ลงจากเตียงแล้วก็อุ้มไอ้ขวดแก้วอ่ะครับ ปวดแก้ต้องสองขวดที่ขวดหนึงเป็นเลือดขวดหนึ่งเป็นน้ําแล้ววิ่งพยายามวิ่งออกจากห้องไอซียูก็ไปหาหมอหมอพยาบาลที่วอร์ดคือขอโทษนะครับคือป้าผมเขาเขาเป็นบริโอข้างหนึ่งฉะนั้นขาแกจะไม่แข็งแรงข้างนึงขาแข็งแรงข้างนึ่งเหมือนแกก็วิ่งกระเพกไปเพื่อที่จะไปวอร์ดที่นางไยาบานอยู่แล้วก็ตะโกนตะโกนร้องบวอยบอกว่าเนี่ยเจอผีรอกเจอผีหลอกนะครับคือ ทั้งพยาบาลทั้งคนที่อยู่ใน ใ, ในในคือมาตรวจนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตกใจว่าอยู่ดีๆป้าผมมาวิ่งกระเสือกสนออกมาทําไมอย่างเงี้ยนังพยาบาลก็รีบรี บ, ร, บรีบเข้าไปดูแลนะฮะรีบเข้าไปดูแลแล้วก็รีบพาเข้าไปนั่งพกักเพราะว่าอ่าหนึ่งเลยเนี่ยคือป้าผมถือขวดอยู่ก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเข็มที่แทงอยู่ตรงครับด้านข้างเนี่ยครับก็เลยพาเข้าไปพาเข้าไปที่ห้องไอซีอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าก็ก็ไปดู มันก็กลายเป็นเตียงที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นเตียงสะอาดเตียงหนึ่งอย่างเงี้ยปาบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วยังไงก็จะไม่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีห้องเขาขอกลับเลยออืไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วยังไงก็ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยอก็ในเมื่อในเมื่อคนไข้บอกเงี้ยไม่อยู่แล้วเงี้ยทางพยาบาลก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยแจ้งโทรแจ้งญาติฮะ ในการดึกตอนนั้นประมาณสักตีตีสามก็กว่าเกือบตีสี่ถ้โทรมาแจ้งมาที่บ้านครับพวกผมก็ก็ขับรถกันไปแล้วก็ไปไปที่โรงพยาบาลอย่างเนี่ยแล้วก็ไปอยู่เป็นเพื่อนแกอืคือดูอาการรู้เลยว่าแกตัวสัน่นตัวสั่นจริงๆเนะี่ยสั่นทั้งตัวแล้วก็ตาล็อกแรกลอกแรกสําคัญคือร้องไห้ด้วย ค, คือผมก็เข้าใจว่าคือป้าเขาคงไม่โกหกหรอกไม่โกหกอะไรเงี้ยครับรอจงรุ่งเช้านะคะก็ได้เจอจริงๆ ก็เป็นห้องพิเศษที่เป็นเตียงคู่นะครับคุณป้าผมเนี่ยเ้านอนเตียงติดกับหน้าต่างนะฮะแล้วก็จะมีอีกเตียงหนึ่งซึ่งติดกับประตูทางออกนะครับแต่เตียงนั้นเนี่ยจะไม่มีคนนอนยังไม่มีคนนอนยังเป็นเตียงว่างอยู่อืมป้ากับผักอยู่ที่นั่นเขาบอกว่ายังไงอ่ะยังไงเดี๋ยคืนนี้ยจะต้องมีคนมานอนเป็นเพื่อนเขาหน่อยเพราะกลัวเพราะกลัวเขาอะไรโอเคไม่มีปัญหาเชนนี้ก็อาผมอะเขาก็เลยไปนอนเฝ้าที่ที่ที่ห้องเนี้ย ครับในคืนแรกเนี่ยอาร์ก็บอกว่า น, นอนก็ไม่มีอะไรอืมเดแต่ก็พยายามตื่นขึ้นมาดูอาการของของป้าผมนะป้าผมก็เป็นพี่สาวอาครับก็คือตื่นมาเดี๋ยวก็ดูคอยดูอาการอยู่ตลอดเวลาก็ก็ไม่มีอะไรแต่ก็หลับไปจนถึงรุ่งเช้าุป้าก็บอกว่าตอนเช้าป้าก็บอกสงสัยคงไม่มีอะไรแล้วมั้งถ้าเหนื่อยก็กลับไปพักเถอะนนอย่าเงี้ยคุณอาเขาบอกโอเคท้า ง, งัา้นเดี๋ยวขอกลับบ้านไปอาบน้บําอาบผ่ากินข้าวอะไรเงี้ยดู ดูแลครอบครัวของตัวเองก่อนเดี๋ยวตอนเย็นจะกลับมาอีกทีหนึ่งครับฮป้าบอกโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนเช้าแล้วก็จะมีพวกนังพยาบาลนี่หมอเข้ามาแวรเวียนมาตรวจเรื่อยๆนะฮมซึ่งป้าผมก็เขายังก็ยังมีเข็มแทงอยู่ที่กันข้างนะฮะแล้วก็มีขวดสองขวดอยู่ตกเย็นประมาณทุ่มกว่าอาร์ผมแจ้งว่าว่าพอดีเขาติดทุล่าด่วนเขาไม่สามารถไปนอนเฝ้าได้ออนะคะแล้วผมก็ไม่ว่างด้วยผมก็ไปต่างจังหวัด แล้วก็จะไม่มีใครไปนอนเฝ้าเลยด้วยความที่จําใจอ่ะทําอะไรไม่ได้ป้าผมเลยแลโอเคไม่เป็นไรคงไม่มีอะไรนั้งเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกดไอ้ออดเรียกนังโรงพยานาลอีกทีเนี่ยก็นอนไปประมาณด้วยความที่บอกว่าเตียงเนี่ยติดหน้าต่างแล้วโรงพยาบาลเนี่ยติดกับถนนติดกับถนนใหญ่น ะ, นนนะเสียงรถมันก็จะวิ่งอยู่ตลอดเวลาทำให้แกนอนไม่ค่อยหลับ นางพยาบาลมาเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าคุณป้าคุณป้าจะนอนเปิดไฟหรือนอนปิดไฟดีคะหรืเงี้ยอบอกว่าเอองั้นเปิดไฟไ ว, ไว้ดวงหนึ่งแล้วกันดวงอยู่ ใ, ใกล้ใกล้กับตรงหน้าห้องน้ํอาอ่ะนะคะส่วนไฟที่อยู่ตรงบนเตียงแกเนี่ยให้ปิดซะพอเสร็จเส็จฉันนอนแต่พักผ่อนโ <Okay. S 2> อเคนางพยาบาลเขาก็เลยปิดไฟทั้งหมดเลยแล้วก็เหลือไฟดวงเดียวที่อยู่หน้าห้องน้ำแกก็นอนไปอ่าแกเล่าให้ฟังว่าประมาณประมาณเที่ยงคืนกว่านี่แหละเพราะว่า ได้ยินเสียง<ฤ>อ่าเสียงนาฬิกาในจางข้อมือนะครคือพอครบเี่ยงคืนมันจะดังออืมันจะดังตือนประมาณสิบสองครั้งแล้วก็หยุดไปแล้วก็อีกสักพักหนึ่งตอนนั้นแกนอนได้หลับแหละ<ฤ>แกก็คือนอนคนนอนตะแคงข้างอย่างเดียวมันก็เมื่อยใช่หไหมพี่เขาก็เลยหันแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งบ้างนั่งบ้างนอนบ้างอะไรย่างเงี้ยแล้วก็นอนหันตะแคงข้างอยู่เดียวมันตอนนั้นแกเล่าให้ฟังว่ามันเงียบปกติ เสียงรถไม่มีเลยที่ ท, ทั้งๆที่หยุดติด ก, กับถนนใหญ่รถต้องวิ่งสิบตรงสิบล้ออะไรวิ่งตลอดเวลาแต่เสียงไม่มีเลยอ่ะไม่มีเสียงรถไม่มีอะไรเลยแค่ก็ลืมตาแล้วก็มองตรงผ้าม่านปรากฏว่าไอ้แสงไฟที่มันอยู่ตรงตรงหน้าหน้าห้องน้ำนะครับเออมันสาดไปเห็นเงาเง า, เงานึ่ครับครับมันเป็นเงาที่อยู่บนเตียงเอ้ยคุ้น เป็นเงาเดียวกับที่ที่แสดงอยู่ที่ห้องไอซที่แกเห็นในคราวนั้นเลยคือเดาว่าเป็นเงาที่ป้าแกคุ้นตามากอ่ะใช่ครับหนีจากตรงนั้นมานะมาแล้วตังตามมาอีกก็ค่อยเข้าใจเราป้าผมเห็นเขาก็ขนลุกสู้เลยตอานี้อ่าเล่าไห้ฟังเขาขรุนลุกสู้เลยแล้วสำคัญกว่านั้นคือเขาไม่ได้นั่งธรรมดาเขาค่อยขยับตัวขยับตัวแล้วก็เหมือนแบบหันมาด้านข้าง หันหน้าแกอ่ะหันหน้าประชานแกแล้วก็ทิ้งขาไปตรงหน้าแกแล้วก็ยืนอยู่ตรงระหว่างระหว่างาม่านที่มีกั้นไว้อพี่แล้วก็เขาค่อยเดินเข้ามาตรงาม่านโอ้ยคือผ้าม่านมันจะนูนออกตรงไปพี่เวลาเขาเดินเข้าแล้วก็จะเดินเข้ามาหาป้าป้าเขาเขมองตกใจนาทีนั้นแกจิบอดขึ้นมาแล้วกดเลยกดเลี่ยงนะไซบาแล้วก็ร้องกรีป่วยวายใหญ่เลย นังพยาบางเขเข้ามานะคะัเข้ามาจู่ะตูแล้วก็แล้วก็รีบเปิดฟงเปิดไฟอะไรเต็มไปหมดเลยออืคุณป้าแบบในขณะที่แกเสียสติแกบอกแกใช้คำนีน้นะนะแกแบบคุมสติไม่อยู่แล้วเนี่ยอพอไฟมันเปิดผ้าม่านมันวุบลงมาทันทีเหมือนผ้าม่านมันโดนลมแล้วลมอยู่ดีๆลมมหายไปวุบกลายเป็นเรียบเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีใครงขยับอะไรเลยครับนังพยาบก็เข้ามาเต็มเลยแล้วก็บอกคุณป้าคุณป้าเป็นอะไรอีก คุณป้าเป็นอะไรอีบอกโอ้ฉันไม่อยู่แล้วอืยังไงฉันก็จะไม่อยู่ฉันจะไม่อยู่คืนนี้แล้วฉันจะไม่อยู่ให้โทรตามที่บ้านเลยครับโท้ตามให้ที่บ้านมารับเลยก็นั่งพยาบานด้วยความที่แบบอืทําอะไรไม่ได้แล้วครับคุณป้าเขายินยันว่าเขาอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับก็เลยจําเป็นจะต้องโทรมาตอนแรกโทรไปหาอาก่อนอ อ, อาก็ไปได้รับสายแต่สุดท้ายก็ถึงโทรมาที่บ้านคือคุณพ่อผมเขาก็เลยไปรับครับ ก็เลยขับรถมาแล้วก็มาดูอาการมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเอิญว่าก็นั่งจนอยู่ถึงเช้าเลยนะนั่งจนถึงเช้าเลยเพื่อรอหมอมาตัวจดีทีเพราว่าและให้หมออนุ ม, มัติป้าคือให้หมอลงว่าเหตุว่าสามารถกลับไปนอนพักที่บ้านได้หรือเปล่านะ <ห savior. S 2> คุณหมอกขาบอกโอเคก็อาการดีขึ้นแล้วเพราะว่าน้ำก็ออกจากก่อนแล้วกาไป <ห Pain. S 2> เกือบแปดสิเปอร์เซ็นแล้วเหลือจนไม่ถึงยี่สิเปอร์เซ็นต์ก็ยังพอได้อยู่ครับเ <ห às. S 2> นี่ยสุดท้ายคือป้าก็ต้องถอด ถอดเข็มที่แทงออกจากต้านข้าะะอ่ะกันแล้วก็คือให้กินยาสมานแผลหรืออะไรเนี่ยแหละผมจำไม่ได้ละแล้วก็พาตัวป้ากลับมารักษาตัวอย่างนี้ที่บ้านหลังจากนั้นไม่นานนะครับคุณป้าเริ่มสุดหนักลงแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้คือเข้าโรงพยาบาลมาเสร็จอ่าผมมาเป็นคนไปเฝ้าออื เป้าคืนแรก อ, อ่ะไม่ยังไม่มีอะไรป้าก็ยังแบบเพียเพียรคือกันเริ่มที่จะแบบคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับมาวันที่สองเนี่ยคือมาวันที่สองเนี่ยคุ ณ, ค ณ, คณป้าอืคุณป้าเริ่มลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วลุกขึ้นมานั่งออากับกิริยาเหมือนเดิมเลยเหมือนเหมือนกับเหมือนกับผู้ชายคนนั้น่ะอที่เขาแสดงให้ให้ป้าผมเห็นครับครับคือนั่งแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เอามือตีตัวเองตีหัว ตีตัวเองตีตีทั้งตัวครับแต่ไม่ได้ตีแบบกระหน่อตีแบบทุบตัวเองเหมือนอันนี้คือลุงเล่าให้ฟังลุงเห็นใช่ไหมฮะอะไรนะฮะลุงเห็นเนอไม่อา่ะครับอ๋ออ่ะอ่ะอ่เห็นใช่ไหมใช่ครับอ่ะคืออา่ะไม่แชทไม่แน่นอนเลยเพราะว่าป้าเนี่ยทุกๆุบสิบนาทีป้าก็จะลุกขึ้นมาแล้วทุบตัวเองทุบตัวเองเนี้ยใช่ครับออทุบตัวเองแล้วก็บ่น Uger, uger, คือขอโทษนะครับคือป้าผมเขาเขาเวลาเขาพูดเขาก็ uger, จะพูดเป็นภาษาจีนครับคอ่าเขาก็จะพูดเป็นภาษาจีนแค่แล้วก็ทุบตัวเองคืออาอาแปให้ฟังประมาณว่าเหมือนเหมือนเขาโทษตัวเองว่าทําไมตัวเองต้องเกิดมาเป็นแบบนี้ทําไมตัวเองจะต้องเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วอาผมก็พยายามพูดกับแกแกก็ไม่แกแก็ไม่รู้เรื่องนะแกไม่รู้เรื่องแกเหมือนไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องก็ทุบ ๆ, ๆุบเสร็จแล้วอาผมเขาก็ต้องจับตัวแกให้นอนลาบไปกับ ไปกับเตียงอ่ะคือตอนนั้นอะ่ะไม่ได้เจาะแล้วเข็มไม่ได้ถูกเจาะฉะนั้นแกก็จะนอนแบบธรรมดาบแบบปกติได้อืออืออืออ่าฮะอ่าอยู่จนถึงประมาณประมาณหกโมงเช้าอ่ะครับอ่าผมก็เลยโทรมาที่บ้านแล้วบอกว่าตอนนี้อ่าป้าคงจะไม่ไม่ไม่พ้นวันนี้แล้วแหละทุกคนก็เลยไปทุกคนก็เลยไปก็วันนั้นนะฮะวันนั้นประมาณช่วงประมาณเที่งเที่ยงป้าก็ เสียชีวิตหรอก็เสียเลยครับ<อ>ผมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เรื่องที่ป้าเล่าให้ฟังตอนที่เขากลับมารักษาตัวที่ป้านะครับแล้วผมกําลังเล่านั่งฟังแกเล่าให้ฟังครับเขก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าไปไหนไม่ได้อ่ะอขยับไม่ได้ใช่มันจะไปไหนไม่ได้อีกครับครับผม ที่หน้ า, ท, านที่หน้านะคือทำไมเขาถึงมาแสดงแบบนั้นให้ป้าเห็นหรือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอาการสุดท้ายของคนที่กำลังจะไปหรือเปล่าเพราะคุณป้าก็มีอาการคล้ายๆกับสิ่งที่คุณป้าเล่าให้กับคุณบอยฟังถูกไหมใช่ใช่ครับเออทำไมต้องตีอกตีตัวเองทำร้ายตัวเอง อืมตีตัวเองทำร้ายตัวเองแล้วก็พนพูดอะไรก็ไม่รู้คือตอนนั้นแหะไม่ได้สติแหละครับคือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอ่คุณหมอเขาพยายามอธิบายให้ฟังว่าเชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายไปทางล่างแหละแล้วสําคัญคือเชื้อเนี่ยแพร่ไปสู่สมองแล้วพอไปถึงสมองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะคุมตัวเองได้ก็อาจจะเพลแล้วทําอะไรที่เราที่เราไม่ได้คิดขึ้นมาแต่มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าคือ กับกริยาที่ทําอ่ะคำเหมือนกับผู้ชายคนนั้นเลยเออก็ใช่อสิเออทําไมมันต้องเป็นเป็นลักษณะนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาพยายามจะสื่ออะไรกับป้าหรือหรือตอนนั้นไม่รู้นะอันนี้ผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวคุณบอยอย่าถือโทษอไเบทความผมนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณนั้นผมเลือกเป็นดวงวิญญาณก็แล้วกันครับผมเขาเขาจะรู้ว่าคุณป้ากําลังจะไปอืม ไม่รู้นะทําไมเขาต้องเขาต้องตามใช่ไหมใช่ทำไมเขาต้องตามเปลี่ยนจากห้องนี้ก็ไปห้องนึงเขาก็ตามไปตามมันสําคัญกับตามเลยแหละคุณป้าไม่ได้โทษนะฮะไม่ได้เบลอไม่ได้เพลยยาไม่คือแกไม่ได้กินยามีสติมีสติแน่ๆครับมีสติคือเขาไม่ได้กินคือกินยาคือกินอย่างมากก็แค่ยานอนหลับซึ่งยานอนหลับก็ก็กินกินจนที่พี่แจ็คพูดนะฮะคือมันดื้อยาแล้วอะ อ่าฉะนั้นผมว่าแกก็ไม่น่าจะเบอรครับอ่าและอาการกริยาที่แกเล่าให้ฟังแล้วมือสั่นตัวสั่นร้องไห้ผมว่าคงไม่ใช่เรื่องเล่นๆล้ะครับออนะฮะอ่าได้ครับคุณบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คุณป้าท่านเล่าให้ฟังน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่คุณป้าจะเสียใช่เพราะว่าก่อนที่คุณป้าจะเสียคุณป้าเสียไม่นานมานี้เองนะ ครับผมไม่นานมานี้โอนะครับก็อีกครั้งหนึ่งครับขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยขอบคุณมากนะครับในตัวแทนของทีมงาน The g โกส t r ดีโ o ซึ่งต้องบอกว่าคุณบอยนี่ก็เป็นโอ้คนหนึ่งที่ลุยกับเรามาตั้งแต่แรกๆน ะ, ะน่ารักมากๆไปทำบุญด้วยกันเจอกันครั้งสองครั้งไปดูหนังด้วยกันอะไรอย่างนี้จำได้เออครับนะ <c oughs> ยังไงก็สู้ นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับครับผมก็ขอเหมือนเป็นการไว้อาลัยป้านในครั้สุดท้ายค่ะรับที่จะเอาเรื่องนี้ครัเรื่องของป้ามาเล่าให้ฟังครับผมนะก็ขอให้ดวงวิญญาณคุณป้าไปสู่สุขติเนาะขอบคุณครับพี่ครับผมได้ฮรคุณบอยยังไงขอบคุณมากๆนะขอบคุณนะครับคือพี่แจ็คผมขออนุญาตนิดนึงจ้ะเออคือจริงๆผมผมผมไม่ได้ทรมาเล่านานแล้วไม่ได้คุยกับพวบ 6ทีมงานจะพทีมงานเลยก็คือปัญหาจะนานหน่อยแต่ขออนุญาตนะครับคือขอวยพรวีใหม่ย้อนหลังก็ขอให้ขอให้ทีมงานเดอะโกเซเลียแจ็คพี่บาศแล้วก็พคุณวีวีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับมีสินได้อลสมหวังแล้วก็ร่ำรวยกันทองนะครับเออแล้วก็หมายถึงว่าทุกจีนนี้ด้วยก็ขอให้พี่แจ็คแข็งทิอยู่จีนยื่นซีนีว่าใช้แล้วพี่นะอะไรที่คุณบอยอวยพรมาขอให้กลับไปหาคุณบอยเป็นร้อยเท่าพันเท่านะ ขอบคุณครับโอเคขอบคุณครั บ, บคุณอ บ, ณบอยขอบคุณครับแจ็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน่ารักเสมอนะฮะผู้ชายคนนี้คุณบอยชีตปรัวครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซับสไครป์ช anel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ <c oughs>